วันอาทิตย์ที่4สิงหาคมพศ2539เป็นการบรรยายพระสูตรในสังยุตติกายเรื่องปฏิจจะสมุปบาทโดยอาจารย์สุเทพโพธิศัท t าท่านสาธุชนที่เคารพครับพระสูตรวันนี้เราจะขึ้นวรรคที่ห้าสูตรแรกของวรรคที่ห้ามีชื่อว่าปฐมปัญจเวรภไพ ชื่อของวัดนี้ท่านเรียกว่าข้าหาบดีวัดเพราะว่าเป็นวัดซึ่งทั้งหมดมีสิสูตรเนี่ยแต่วัดแรกนั้นพระผู้มีภาคได้ทรงแสดงสูตรแก่ข้ารืหาบดีคนสำคัญคนหนึ่งในตระพุทธศาสนาคืออนาถาบินติกาเศรษฐีจึงเรียกด้วยอำนาจของสูตรแรกที่แสดงแก่ผู้ฟังผู้นี้เป็นคฤหาบดีจึงเรียกค่หาบดีวัด สูตรที่เหลือนอกนั้นก็แสดงแก่ภิกษุทั้งหลายถ้าสูตรที่ชื่อว่าปัญจเวราภัยก็แปลว่าเรื่องภัยเวนห้าถมคือที่หนึ่งได้แก่สูตรที่หนึ่งว่าโดยธรรมของพระโสดาบันพระผู้มีรภาคประทับณนะเชตวันอารามของท่านอนาถาบิธิกรารเศรษฐีคุ้งสาวัตถีครั้งนั่นแหลท่านอนาถาวิธิกาเศรษฐีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีภาถึงที่ประทับ ถวายอภิวาสแล้วนั่งอยู่หน้าที่โกนส่วนข้างหนึ่งครั้นนั่งเรียบร้อยแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านอาถาบินฑิกะคฤหบดีว่าดูก่อนคฤหบดีเมื่อใดแลภัยเวรห้าประการของอดีษสาวกสงบแล้วเมื่อนั้นอดีษสาวกย่อมประกอบด้วธรรม เป็นองค์แห่งโสดาบันสี่อย่างและยายธรรมอย่างประเสริฐอดิยาสาวกเห็นดีแล้วแทงตลอดด้วยปัญญาอดิยาสาวกนั้นหวังอยู่พึงพยากรด้วยตนเองได้ว่าเราเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดสัตว์เดรัจฉานสิ้นแล้วมีปิติวิสัยสิ้นแล้วมีอาบายทุกขติวิิบาตนรกสิ้นแล้วเราเป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงจะตรัสรู้ในภายหน้าอา ะ, ะสูตรนี้แสดงแก่ท่านอนาาถาแสดงที่ไหนเราก็เห็นจากในประสูตรนี้ว่าแสดงที่เมืองสาวัตถีแสดงเรื่องอะไรเรื่องเกี่ยวกับพระโสดาบันอนาณาถาบิณฑิกะเศรษฐีนั้นมีคุณวุฒิในทางธรรมะเป็นอะไรเป็นพระโสดาบันทีนี้ ท่านเข้าใจว่าเป็นโสดาบันก่อนสูตรนี้หรือสังสหลังสูตรนี้อก่อนสูตรนี้หรือเมื่อฟังสูตรนี้อท่านท่านลองเดาดูนะแต่แต่ให้หาคําตอบถ้าไม่ได้คําตอบก็อย่าอย่าคิดปักใจถ้ามีคําตอบมีข้อมูลอยู่แล้วท่านคิดดีๆบางดีท่านจะได้คําตอบตอบตัวเองได้อผมถามว่าโสดาบันนั้นอนาถาวิจิกาเศรษฐีบรรลุที่เมืองไหนแน่ บรรลุที่เมืองท่านเนี่ยเป็นชาวเมืองสาวกถีแต่บรรลุเป็นโสดาบันที่เมืองไหนเมืองมคตใช่ไหมที่กรุงราชฤกษ์เมื่อคราวไปเยี่ยมญาติที่นั่นและไปพบพระพุทธเจ้าที่นั่นได้ฟังธรรมะที่นั่นเราไปที่พระเวโรวันผู้นำเทีย่ยวเขยังพาเราไปยืนบนเนินที่หนึ่งว่าตรงนี้แหละเป็นที่ที แสดงธรรมโปรดแก่พระเจ้าพิมพิสารแสดงธรรมโปรดแก่อนาถาบินติกาเศรษฐีที่เล่านะก็เราก็ยังไม่อาจจะปรักใจเป็นที่ชัดเจนนะแต่รู้แน่แน่ว่าท่านไปบรรลุเป็นพระโัวาบันที่เมืองราชสุรแล้วกลับมาสร้างพระเวรุวาเจตุวันที่เมืองของท่านพระผู้มีาภาคเมืองเสด็จเมือง เชตวันแล้วเมืองสาวัตถีแล้วก็ได้แสดงธรรมเกี่ยวกวับเรื่องโสดาบันแก่อนาถะแต่เมื่อแสดงแล้วนะอนาถะได้บรรลุอะไรเพิ่มเติมหรือไม่หรือบรรลุซ้ำเก่าเก่าไม่ต้องบรรลุอยู่แล้วบรรลุอยู่แล้วไม่ได้บรรลุอะไรเพิ่มเติมไม่ได้บรรลุจนกระทั่งมรณาภาพตายก็เป็นแค่โสดาบันบุคคลเท่านั้นเอง กนณีเรื่องที่ที่ได้ขึ้นชื่อเป็นสูตรเนี่ยเราควรจะอธิบายกันทัานหน่อยว่าที่เรียกว่าเวนและไัยหรือภัยเวนนั้นต่างกันหรือเหมือนกันบอกไว้ก่อนว่าท่านเรียกภัยเวนหรือเวนไัยในสูตรนี้อย่างเป็นคําที่เป็นไวยพจน์กันไม่แตกต่างกันสําหรับในที่นี้นะฮะไพรก็คือความทุศีลหาข้อ เวนก็คือความทุศีหน้าขเป็นไัยพจน์ที่ใช้หมายถึงสิ่งเดียวกันแต่ถ้าใช้ในที่อื่นภัยมีความหมายกว้างกว่าภยบางครั้งหมายถึงทุกขติไัภยบางครั้งหมายถึงกิเลสภัยภัยบางครั้งหมายถึงอุปาวาตะภัยบางครั้งหมายถึงอภิสังขละภัยบุญบาปเป็นภัยหมดภัยมีความหมายใช้ในที่ทั้งหลายนี่มากเหลือเกิน กระทั่งภัยคือเบญจากา ร, รมาคุณก็เป็นภัยและบางครั้งเนี่ยสำหรับพิพิสุสตรีมาตุคามก็เป็นภัยน ะ, ะที่แสดงแกพิพิสุให้พิพิสุทั้งหลายคอยสังวรระวังแต่ในที่นี้ศีลความทุศีลห้าเรียกว่าภัยความมีศีลห้าเรียกอาภัยอาภัยทานเนี่ย คนรักษาศีลห้าชื่อว่าเป็นผู้ให้อภัยทานเพราะอะไรศีลข้อที่หนึ่งให้อภัยแก่ชีวิตและสวัสดิภาพศีลข้อสองให้อภัยแก่ให้อภัยคือให้ความปลอดภยัยแก่ทรัพย์สินเป็นต้นเออแล้วศีลข้อห้านี่ไม่เกี่ยวกันอื่นไม่่เลยเราไม่เมาเหล้าให้อภัยอะไรแก่ใครตอบว่าให้อภัยทุกๆุกศีลเลย อยากการรักษาศีลข้อห้าครั้นี้ต่อศีห้า 5, ทำไมจึงเรียกเวนเวนทึงตรงกับที่เราใช้คำว่าผูกเวนเพราะภัยเนี่ยมันไม่ใช่เป็นไัยแค่เฉพาะหน้าเราฆ่าสัตว์มีสัตว์ที่เราฆ่ามีคู่เวนคู่ที่จะเราจะต้องไปชดใช้ตามวาระเรารักทรัย์ มีเจ้าของใช่ไหมเราประพฤติผิดในการมมีเจ้าของผู้โกโหกมีคนเดือดร้อนเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเจ้าของเรื่องที่เราไปเบียดเบียนเข้าด้วยความผิดศีลข้อใดเนี่ยนั่นคือคู่เวรของเราแต่โดยความเป็นสาระในทางลึกเนี่ยสิ่งเหล่านั้นมันอยู่ที่ไกลใครเป็นผู้ทําลงไว้รักษาวไว้ เราไปฆ่าสัตว์ตายเขารักษาเป็นผู้รักษาเวรหรือเวรเนี่ยเราเป็นผู้รักษาไว้เราไปขโมยของคนอื่นคนอื่นเขาเขาขึ้นบัญชีหมายหัวเราไว้หรือว่าอีกศิชาติจะต้องทำตอบไม่อยู่ที่เราและไอ้ที่บางคนเขาจองเวรกันได้เนี่ยก็เพราะว่าเรามีเชื่อเขาจองเนะเรามีที่ เ, เขาตัด ถ้าใครเขาจะมาจองเวรเราโดยที่เราไม่ไปทำอะไรเขาเลยเนี่ยก็จองได้ไหมฆ่าเราสาเร็จไหมปล้นเราสาเร็จไหมโกงเราสาเร็จไหมไม่มีทางที่จะทำได้เพราะฉะนั้นคู่เวรที่เขาจองเวรเราเนี่ยคือเขาได้ทำความพยายามหรือทำตัวให้เป็นอุปกรณ์บาปเราด้วยี่เป็นคู่เวร เป็คู่เวรแบบผูกปยาบาลถ้าเขาไม่ได้จองเวรเขาไม่ได้ทําตัวให้เป็นหรือไม่ได้ตั้งเจตนาทําตัวให้เป็นตัวเร่งกรรมเราเป็นอุปกรณ์ของกรรมเราไม่ได้ใช้ความพยายามของเขาช่วยให้บาปของเรานอนสําเร็จเร็วสําเร็จตามทิศทางที่เขาต้องการให้เป็นแต่ว่าอย่างไรก็ตามถือว่าเป็นคู่เวรอย่างนี้เรียกว่าเป็นคู่เวรนะฮะโดย ที่เก็บเวรเก็บภัยอยู่ในตัวเราท่านคงเคยได้ยินนี้ผมพยายามจะพูดให้ท่านเข้าใจทราบซึงในศัพท์ที่ฉันใช้มากขึ้นคือเราฆ่าคนอื่นตายเนี่ยภัยเกิดที่ไหนในตัวเราเราชื่อว่าสร้างภัยในตัวเราเป็นภัยภายในเป็นภัยภายใน เป็นอมิตรภายในใครเป็นํำนวนอย่างนั้นด้วยกระดาษแล้วก็พันธนาการทางเวรที่เราไปทำเขาไว้เนี่ยคือเราจะต้องชดใช้เขาจะคิดว่าอย่างไรเขาจะไปนิพพานแล้วเราก็ ต, ต้องต้องชดใช้กรรมในลักษณะอย่างที่เราได้ทำไว้นี่คือเวรมันอยู่ในตัวของเราทางติ้นสำเร็จอยู่ในตัวของเรา เป็นโอกาสสักตุปปนะบาปที่ทำแล้วเนี่ยมันทำโอกาสเป็นพืชพัน์อยูใ่ในหัวใจของเรานี่ยเป็นความหมายของเวนและไัยที่ใช้เป็นไหวพดในที่นี้อันนี้เมื่อทรงตรัสว่าเมื่อใดแล้วไพรเวนห้าประการของอริยะสงบแล้วเมื่อนั้นอริยานั้นย่อมประกอบด้วยทำเป็นองค์แห่งโสดาบันสี่อย่าง ท่านต้องพิจารณาพิเคราะห์ไปโดยลำดับว่าคำว่าภัยเวณของพระโสดาบันสงบแล้วเนี่ยสงบเมื่ อ, อไรสงบก่อนเป็นโสดาบันหรือหลังโสดาบันนี่เป็นคำถามที่หนึ่งนะและทาที่เรียกว่าโสดาปัฏิยังคาธรรมที่ในนี้ไม่ได้แปลไว้แล้วผมม า, มาใส่สับคืนให้ ในลำดับประเด็นต่อมาเนี่ยโสดาปฏิยังธรรม4สี่อย่างเป็นของที่พระโสดาบันได้ก่อนเป็นโสดาบันหรือได้เมื่อเป็นโสดาบันท่านเคยสงสัยไหมสงสัยหรืออย่างเมื่ออ่านแต่นี่คือคำตอบที่จะมีบทอธิบายชัดเจนให้ท่านฟังตรงนั้นและคำว่ายาธรรม อย่างประเสริฐเราเคยได้ยินมาเมื่อได้ฟังสฏิปทานสูตรว่ายายยายะอธิคมายะแปลว่าบรรลุญยาณยธรรมในที่นั้นได้เคยที่บายเราหมายถึงอารียมังแต่ตรงนี้ไม่ใช่อรียมังหมายถึงความอย่างรู้ตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาทนี่ผมลงความทัดลงไปซะตรงนี้ก่อนและอีกประเด็นหนึ่งคือเมื่อ คนเป็นโสดาบันรู้เมื่อเป็นโสดาบันแล้วรู้ไหมว่าตัวเองเป็นโสดาบันหรือต้องมีคนอื่นบอกต้องมีคนอื่นรับรองและถ้าตัวเองรู้ว่าเป็นโสดาบันรู้ไหมว่าเมื่อเป็นโสดาบันแล้วได้คุณสมบัติอย่างไรรู้ไหมรู้ก็ตอบไปซะ ก, ก่อนว่ารู้รู้ว่าเป็นโสดา รู้ในหมายรู้โดยกุณฑธรรมทุกุณฑชาติเหมือนเด็กเกิดมาเนี่ยก็ปสมมติเป็นโสดาบันติดมาก็รู้ว่าตัวเองเป็นอย่างนี้จึงจะไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรก็ตามแล้วก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยชะตาชีวิตเบื้องหน้าจะเป็นอย่างไรคือจะต้องไปเกิดไปอะไรกี่พกกี่ชาติที่นะ่ะอันนั้นอันนี้จะรู้เพราะฉะนั้นมาตร ก, การในการพิเคราะห์ความเป็นโสดาบันเนี่ยมีหลายอย่างอันนี้เป็นอย่างหนึ่งถ้า คนไหนเนี่ยเขาบอกเขาผ่านยานบิบกแล้วเป็นโสดาบันแล้วแล้วมาตั้งปัญหาปัญหาถามอาจารย์คระอาจารย์ครับผมเนี่จะเกิดอีกสี่สี่ชาติอาจารย์จะรับรองได้ไหยครับว่าเกิดชาติหน้าแล้วผมจะไม่ไปลงอภัยถ้าอย่างนี้แล้วไม่ใช่เด็ดขาดเลยไม่ใช่เด็ดขาดแล้วก็ถ้า เอาอย่างอื่นมาแลกมี ม, มีมีในพระสูตรทุนแต่คงไม่ได้มาพูดกันในนี้ผมผมเก็บเก็บเก็บเรื่องไว้ว่าพระพระโสดาบันให้คุณค่ากับตัวเองสูงกว่าอะไรทั้งหมดเลยเห็นว่าเอาอะไรมาแลกมันไม่ใช่ปากพูดเท่า น, นั้นนะเอาราชสมบัติมาแลกเอาอะไรมาแลกไม่เอาเด็ดขาดไม่สนใจเลยไม่มีค่าเลยความรู้สึกเนี่ยอันนี้เราพิสูจน์ตัวเราเองได้ ถ้าคุณดูแล้วก็ต้องไปดูพฤติกรรมนะดูพฤติกรรมว่าบางทีเขายอมเอาธรรมะแลกกับลาบสการละชื่อเสียงหรืโลกธรรมหรือไม่เนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์หลายมุมที่จะวิเคราะห์ได้ทันทีว่าคนนี้ผ่านญาณสิทุกจริงหรือไม่พร้อมั้งหลักฐานอ้างอิงนะดังนั้ น, นการเรียนอย่างเงี้ยเราก็ไม่ไม่เรียนเพื่อจะไปเชื่อจับใครก็ยังไงเราแอบแอบดูเพื่อจะหาความรู้แล้วมามาซักตัวเอง เป็นสาระมากกว่าอื่น่ผมกำลังจะว่าไภัยเวณของพระโสดาบันสงบระงับเป็นสองระยะระยะต้นสงบระงับอย่างเป็นอาธิพรมจรนรเหมือนกับอย่างเราเนี่ยอย่างเราเนี่ยเราควรค่าแก่การเจริญในธรรมควรค่าแก่การบรรลุธรรม หรือไม่แค่ไหนไปถึงไหนแล้วสิ่งวัดสำคัญที่สุดนั้นคือสีนห้าใครยังตบยุงยังบี้เหา่ามันไม่มีทางใช่เลยและแม้มีความคิดจะทำแล้วก็ต้องหักห้ามเสียด้วยข้ออ้างใหญ่โตหลายอย่างไม่ใช่เว้นอย่างใครๆใจมันไม่อยากทำแต่ถึงแม้จะยังลาไม่ได้เด็กขาดเนี่ยนะ คนนั้นที่ว่ามีภัยเวรสงบแลว้วเพราะอาทิปรมอาจารย์เนี่ยมันมีขั้นแก่ก่อนขึ้นไปขึ้นไ ป, นไปต่างๆกันผมเทียบเหมือนอย่างอาทิปรมอาจารย์ด้านด้านทิทธิคนหนึ่งมีบุพเพนิวานาสารสตินี่ถือว่าแก่กว่าคนเรียนรู้ว่าตายแล้วเกิดเพราะอะไรในขั้นปริยะชัดเจนกว่ากัน คนที่มีศีลห้าอย่างชนิดที่ต้องเข็นตัวเองเพื่อให้รักษาศีลให้ได้กับคนที่เขารักษาได้อย่างชนิดที่ไม่ประสงค์จะทาเลยลังเกียจที่จะทำด้วยเหตุผลใจไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องการทำอย่างสนิทเอาเป็นว่างมีเพชรมาตกอยู่หลายหลายกะหล่๊งครัก็มีคนเดิ เห็นแล้วก็นึกว่าเอาดีไหมกโมยดีไหมเก็บไว้แล้วไม่แจ้งคืนเจ้าของดีไหมอันนี้เราก็ไม่รู้นะต้องให้คนมาทดลองทดลองดู <protect everybody oise laus> ắng, izada, <ielle> бы, ถ maximum, ้าใครมีความรู men, ้สึกสนิทกับสิ่งเหล่านี้มากๆคนนั้นมีความสงบระงับสูงและมันหมายถึงไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็คือเป็นผลขั้นเบื้องต้นก่อนบรรลุที่มันก้าวขึ้นมาก้าวขึ้นมาแล้วขึ้นมา จนถึงจุดที่จะเป็นประโยชน์ในการบรรลุได้อย่างจริงจังชือว่ามีภัยเวรสงบในส่วนเบื้องต้นควรค่าแก่ที่จะบรรลุทาได้หรือเป็นคุณสมบัติของคนที่จะพึงบรรลุทำได้ด้วยคุณสมบัติความสงบเบื้องต้นตรงนี้เป็นเหตุอีกชั้นหนึ่งคือสงบอย่างเป็นผล พระโสดาบันเมื่อบรรลุเป็นโสดาบันแล้วไม่ล่วงละเมิดศีลห้าโดยเด็ดขาดโดยไม่มีเงื่อนไขไม่ว่าจะตายแล้วเกิดอีกชาติหรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุจงใจด้วยประการใดๆนี่คือเรียกว่าเบื้องปลายสำหรับสิ่งที่เรียกว่าโสดาปฏิยังค์ธ ร, รมมีเป็นสองอยู่เหมือนกันครับ อสูตรพวกนี้ทำให้เราได้ความที่ชัดเจนเลยเราเคยได้ยินคำโสดาปฏิยังฆธรรมใช่ไหมไหนใครเคยได้ยินบางโสดาปฏิยังฆธรรมแปลว่าธรรมอันเป็นองคุณของพระโสดาบันเคยได้ยินไหยครับนั่งข้างหน้าสองท่า น, นโสดาปฏิยังปฏิยังฆธรรมแน่น้ะไม่เคยได้ยินน ะ, อ, ะ, อ, ะ, อ, ะอย่างไงก็ สบายหน่อยผมแปลไปผิดก็ไม่เป็นไรโสดาปฏิยังคะธรรมแปลว่าทำอันเป็นเครื่องอยังลงคือคือทำไมแปลไปยังไงคือทำอันเป็นองค์แห่งความตัตลูโสดาถ้ายังลงก็คือองค์คือคื อ, ค, อความตัตลูนี่ อย่างลงไดยานก็คือตา่างสโลนนั่นเองอังคาก็คือองค์คือข้อต่างๆก็คือวี่ข้อโสตาปฏิก็คือการเข้าถึงโสดาก็เอาความว่าธทรรมที่เป็นคุณสมบัติสี่ข้อที่ทำให้บุคคลบรรลุเป็นพระโสดาบันโสตาปฏิยังคธรรม สี่เนี่ยมีเป็นสองในสองช่วงอีกครับเหมือนเมื่อกี้เลยคือในส่วนบุพภาพกับในส่วนอัปราภาพได้ต่แกในส่วนเบื้องต้นเบื้องปลายในส่วนเบื้องต้นเนี่ยก็อย่างที่เราเคยได้ยินแล้วพระนิยมพูดมากกว่าส่วนเบื้องปลายคือ หนึง่งคบสัตบุรุษหลายท่านก็ได้ยินคำแปลแล้วก็จะนึกบาลีได้เลยทีเดียวว่าสัตตุริสาประสังเสวะการคบสัตบุรุษหรือคบกัลยาณมิตรคบก็คือคบหาเข้าไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเป็นต้น อันนี้ครบในอันหนึ่งนะแต่อวามังทำท่านแยกคืต้องการจะแยกละเอียดบางทีอยู่ในข้อเดียวกันอย่างเช่นว่าโยนิโสประโตกาษานี่ประโตภาษาอยู่ในข้อเดียวกันเหมือนเรื่องสุตตาที่เราพูดเมื่อเช้าแยกเป็นละเอียดเลยการคบสัตว์ บ, บุรุษก็คือการเข้าหาการพบเห็นการเข้าไปนั่งใกล้ข้อสองก็คือสัทธธรรมสวรรค การฟังธรรมก็คือฟังธรรมของสัจบรูปการถัดรับฟังพระสัจธรรมสามโยนิโสมนสิการได้แก่การกระทําไว้ในใจซึ่งธทมที่ได้ฟังจากสัจบรูปนั้นโดยแยกข่ายเรียกว่าโยนิโสมนสิการโยนิโสมนจึงมีโยนิโสมนของปฏิบัติโยนิโสมนของสุตตะโยนิโสมน การให้ทานโยนิโสของข้ออื่นหลายอย่างฟว้างมากแต่ตรงนี้หมายถึงโยนิโสในการฟังธรรมบางแห่งอย่าไปอธิบายเป็นฟังไม่ได้ต้องอาปฏิบัติจะ <c oughs> เป็นตัวย่อยธรรมะที่ได้ฟัง <c oughs> แล้วข้อสี่ก็คือธรร ม, มานุธรร ม, มะปฏิบัติแปลว่าการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม พระพุทธเจ้าท่านใช้คำพูดรอบครอบเหลือเกินค <c oughs> ำว่าสมควรเนี่ยหมายถึงทำเหตุสมควรแก่ผลทำที่เป็นส่วนเหตุส่วนผล <c oughs> ก็คือว่าสิ่งที่เราฟังแล้ว <c oughs> เข้าใจดีเพียงใดปฏิบัติสมกับความข้าใจนั้นสมควรกัน แล้วก็การปฏิบัติที่สมควรจะทำให้ได้โดยปโดยหลักทฤษฎีหลักการอย่างไรเราต้องเจ่มแจ้งทงความจ่แจ้งในหลักการเพื่อเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติปริยัตเป็นประโยชน์สมควรแก่ปฏิบัติเบื้องต้นปฏิบัติเบื้องต้นสมควรแก่ปฏิบัติเบื้องปลายและผลเบื้องปลายอันเกิดจากการปฏิบัติทั้งสี่ข้อนี้เรียกว่าเป็นโสตปฏิยังฆาธรรม ก่อนบรรลุก่อนบรรลุส่วนบุบเบื้องต้นเราจะไปทำเอาไปใช้ตอนปฏิบัติก็าไมได้ตอนบรรลุมาควนก็ใช้ไม่ได้พอตอนบรรลุมาควนไม่มีเรื่องการฟังธรรมไม่มีอย่างอื่นแล้วก็เมื่อบรุแล้วก็ไม่จำเป็นต้องพูดฟังหรือไม่ฟังก็บรรลุแล้ว ไม่จำเป็นต้องไปฟังเพื่อให้บรรลุอย่างเก่าอีกไม่ต้องไปคบเพื่อให้บรรลุอย่างเก่าอีกอันนี้ส่วนเบื้องตน้นทีนี้มาถึงส่วนเบื้องปลายส่วนเบื้องปลายก็คือปรากฏตามสูตรนี้นั่นเองสูตรนี้ว่าอะไรก็คือความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าอย่างมั่นคง ว่าพระพุทธเจ้าทรงมีคุณอย่างไรอย่างไรเนี่ยเลื่อมใสยอย่างมั่นคงการเลื่อมใสยอย่างมั่นคงในอะไรอะไรเนี่ยมีสองอย่างผมก็เคยบอกแล้วว่าหนึ่งมั่นคงอย่างไม่สมเหตุมันมั่นไม่จริงหรือมั่นด้วยกิเลสมั่นคงด้วยกิเลสด้วยตัณหาอุปาทาน นีอุปาทานเนิงแปลว่าความเข้าไปถือมั่นอย่างนี้เป็นเรื่องของคิเลสแล้วที่จริงไอ้มันก็ไม่ได้มั่นจริงอะนะมันเปลี่ยนแปลงอะไรได้มันเป็นเพียงคำแสดงกำลังในขอบเขตหนึ่งๆแต่ถ้าเป็นโซดาบันแล้วจะมั่นคงด้วยด้วยหยาดด้วยความเข้าใจ แต่ถ้ามั่นคงตามข้อมูลมันไม่มีทางจะเปลี่ยนได้พระโสดาบันเป็นอย่างนี้และคนจะมั่นคงอย่างนี้ต้องมีคุณสมบัติพอถึงจะมั่นคงได้ไม่เช่นนั้นแล้วก็ไม่มีสิทธิที่จะมั่นคงได้เปคล้ายว่าคนไม่ได้เรียนจบปริญญาผ่านการสอบแล้วไม่มีสิทธิจะรับปริญญาศรัทธาอย่างนี้เราไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ถึงอยากได้ก็ไม่สามารถจะได้โดวยวิธีใด ต้องได้ดูวยวิธีที่ตัวเองให้แก่ตัวเองและพระพุทธเจ้าไม่ได้ไม่ได้มารับรองเธอมั่นคงแล้วนะไปคุณนั้นมั่นคงแล้วนะไม่ไม่ต้องมาให้รับรองพระธรรมพระสงฆ์ก็เหมือนกันแค่นี้ข้อที่เรียกว่าย่อมประกอบด้วยฝีอันเป็นอภิอันพระอริยเจ้าปรารถนา อันไม่ขาดไม่ตะลุไม่ด่างไม่ร้อยเป็นไทยอันวินยูชนสรรเสริญอันตัณหาได้ทีตีไม่ครอบงำได้เป็นไปเพื่อสมาธิอริยขาวกย่อมประกอบด้วยธรรมเป็นองค์ของโสดาบันสี่ประการอย่างนี้นี่เป็นเป็นเป็นส่วนเบื้องปลายนี่ว่าที่เรียกว่าอาริยกันตศินที่แปลกันตาบแล้วว่ายินดี อ, ร, ร, อริยะแล้พระอริยะ ศีลที่พระอริยยินดีถามว่าได้แก่ศีลกี่ข้อศีลอะไรศีลเนี่ยเราก็ได้ยินว่าศีลมีเยอะแล้วเกินศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีล2องรอยยี่บเจ็ดศีลสามร้อยสิบแตะยังมีศีลอื่นๆที่ไม่ได้ระบุเป็นข้อบังคับที่พึงรักษาศีลออกมาในรูปในเชิงเป็นข้อธรรม ที่มีฐานะเป็นศีลอีกเยอะอนะนี่นี่คือสิ่งที่จะพูดให้ฝากให้จำไว้เลยว่าอาริยกันทศศีลนะคือศีลทุกข้อหรือบางข้อบางกลุ่มเป็นโสดาบันเนี่ยลักที่จะบวชทุกองไหมลักศีสองรอยี่สิบเจ็ดทุกองไห ม, 7, ไ, หมไม่ไม่ทุกองค์ เช่นนางวิสาขานางดัมมิธิกาเศรษฐีเป็นต้นอย่างการตรงผมเนี่ยความจริงนะนะเป็นเรื่องศีลทัพระองค์นะถ้าคนอื่นปรงไม่เป็นศีลก็ได้เป็นแฟชั่นเป็นอะไรก็ได้พระผมผ้าเหลืองเป็นศีลถ้าผมไปผมของผมเองเป็นทุกศีลนี่กับมูสาววาดเพราะฉะนั้นไออาการข้างนอกเนี่ยมันเป็นเพียง ปรากฏการของเจตนาก็กลายเป็นพุติกรรมเกิดจากศีลเป็นนมุธฐานพุติกรรมเดียวกันเกิดจากความผิดศีลเป็นนมุธฐานก็ได้ก็เลยท่านให้คำตอบว่าสิ่งที่เรียกว่าอริยกันตศีลคือศีลห้าเท่านั้นเพราะอะไร เพราะผู้ที่เป็นโสดาบันแล้วทุกองค์จะรักศีลห้าเหมือนกันหมดไม่เว้นใครไม่ว่าเวลาไหนแม้เกิดอีกกี่ชาติก็รักที่จะรักษาศีลคืออย่างสมมติว่าใครเข้ามาชวนเราไปเบียดเบียนตวสอะไรอย่างนี้ เลี้ยงโบฮูที่บ้านปลาเยอะแยะทำไมไม่ตกก็มากินบ่เขาบอกว่มก็สงสัยทำมาำสงสัยหาปลาไม่เป็นถ้าถามเราเราก็บอกว่าเราไม่ชอบเปียดเบียนสัตว์มาแรงสาบวิ่งมาเขาบอกว่าช่วยตีทีบอกเขาไม่รู้เราไงเราทำไมไม่ตีล่ะบอกให้ช่วยผมไม่ชอบอเปียดเบียนแต่เราก็พูดเป็นจริงจังนี่นะไม่ชอบเปียดเบียนยนี่เขาททษผมไม่ได้กําลังจะมาใบอูเป็นโซดาเ น, นี่ยเดี๋ยวจะนึก นี่จะเผไในความไปไว่าอย่างนั้นนี่จะนรกกินผัวอแต่ถ้าพูดอย่างภาษาอารยะเนี่ท่านจะพูดว่าเรามีเรารักศีลรักที่จะรักษาศีลความมันก็เกือบจะถึงกันแหละนะไม่ชอบเบียดเบียนสัตว์ก็คือรักที่จะรักษาศีลไอตัวหลักเนี่ยมันอยู่ที่ความหยิ่งในในธรรมของตัวเอง ความเคารพในธรรมของตัวเองอะไรที่ทำให้ความเคารพในตัวเองต้องเสียหายเนี่ยก็ไม่แต่สิ่งนั้นกตตั้งหลักที่ความรักในธรรมะเคารพในธรรมะ ข, ของตัวเองก็เราควรนึกถึงในความดีของตัว เ, เราเองในส่วนที่เราก็จะมีอยู่บ้างแล้วเราก็ลบนั่นแหละท่านถึงว่าแม้เกิดอีกขี่ชาติไปอยู่ในสวรรค์ไปอยู่ที่ไหนก็ตาม จะมีความรู้สึกอย่างนี้ติดตัวเลยครับตั้งแต่เด็กไม่คิดจะล่วงศีลห้าโดยเด็ดขาดนี่คืออริยกันทศีลศีลอันเป็นที่รักที่พอใจของปราญายะและเรื่องนี้นะท่าอธิบายกันแบบใจไปเรื่อยยิ่งใหญ่มากเหลือเกินนะเป็นความรักดีแค่ห้าข้อแต่ยิ่งใหญ่มากเหลือเกิน และอรักอย่างนี้คือการรักที่จะไม่ไปรักสุขรักที่จะไม่จะอยู่ในสุกติรักที่จะไม่ไปลงสุกติรักที่จะเจริญขึ้นไปในธรรมก็ด้วยมันรักไปหมดเลยี่เียว่ารักเป็นแล้วมันได้หมดแต่ลองคิดดูว่าถ้าเราเนี่ยเป็นคนรักฆ่าสัตว์รักการฆ่าสัตว์แล้วเราจะมันรักอยากได้สุขภาพดี นะได้ความปลอดภัยเนี่ยรักยังไงมันก็ไม่ยอมร่วมขอลงลงกับเราด้วยก็ศีลห้านะโหมันยิ่งใหญ่มากนะในความคิดของเราเดี๋ยวเนี้ยความปลอดภัยในชีวิตความปลอดภัยในทรัพย์สินความปลอดภัยในคู่ครองอลูกเต้าเราหลานมีลูกแล้วใครเข้ามามากลมกึืนก็ทํจาจําเราไม่ไปไปได้คู่ครองเสียเ ห, หายอย่างนี้นะ ในส่วนหนึ่งก็จะจากพอนี่ก็โดยอาจจะอ้อมหน่อยจากพ่อจากแม่เนี่ยในส่วนโดยตรงก็คือไอ้ที่เราเราเป็นเองได้เองไอ้บางคนที่มีดวงชะตาในทางคู่ครองไม่ดีมนก็เกี่ยวกับนี้แล้วก็คนบางคนเนี่ยไปไหนก็มีแต่คนก็หลอกอะไรแม่นิดนิดหน่อยหน่อยก็อุตส่าห์หลอกอะไรเงี้นะแค่พูดกันเรื่องก็ยังอุตส่าห์หลอกมันก็เกิดจากข้อนี้แล้วก็ สมรรภาพทางสติปัญญาสัมัญจัญญาความเผลอพลั้งในเรื่องลักษณะของการเสพสิ่งเสพติดต่างๆเนี่ยมันก็ทําลายตัวเองนะลัณะทําลายสมรรภาพของความเป็นมนุษย์ในส่วนนี้เพราะฉะั้นถ้าใครไม่ทําเลยลองคิดดูนะแล้วไม่ทําอย่างไม่ให้ฝืนนอย่างเรายังมีแล้วไม่ทําแบบฝืนแม้ในข้อที่เราเลือกที่จะไม่ทําแล้วไอข้อที่เรียงยอมยอมทําบ้างมันอาจมี มันก็ไม่ถ้าคนไม่ไม่ทำอย่างเป็นธรรมชาติเนี่ยพลังยิ่งใหญ่มากครับเราทันเห็นคนรุ่นรุ่นเรามาแล้วเช่นไม่ฆ่าสัตว์อย่างกับพระโสดาบันเนี่ยนะผมไม่ได้พูดผิดๆนะไม่ใช่ฆ่าสัตว์อย่างกับพระโสดไม่ฆ่าสัตว์อย่างกับพระโสดาบั น, วบ พ, บ น, นพวกของคนหนึ่งเนี่ยโอ้โหไปเจอกันมาตอนหลังนี่โอ้โหอายุ ต, ต้องเจ็ดสิบกว่าขึ้นไปแล้ว ยังเหมือนเดิมทุกประการเหมือนคนอายุห้าสิบตอนตผมไม่ได้ยอเขาเลโอ้โหเหมือนเดิมทุกประการแล้วไม่เป็นโรคไปแค่เจ็บเลยไอเราก็แค่กำลังตามเข้ามาติดๆเนี่ยนะเพราะไอเราเบิกต้นเขาเราไม่มีธรรมชาติอย่างเขาเขานี่ไม่ฆ่าสัตว์แล้วมันก็ขยายไปถึงลูกถึงเต้าเขาสุขภาพดีกันทั้งบ้านเลยเพราะว่าทั้งบ้านไม่ฆ่าสัตว์เพราะว่าโอหัวหน้าครอบครัวเป็นงย่างนี้ยเห็นแล้วก็น่าชื่นชมนะ น่าที่จชมมากเลยประหยัดค่ารักษาพยาบาลไม่ต้องจะประมาทหรือไม่ก็ไม่รู้อันนี้ก็อยู่ที่ธรรมะใครถึงแค่ไหนก็พอต่อตัวเองได้ไม่ได้สงนวนเงินประมาณไว้เพื่อการรักษาพยาบาลเลยนะบางคนไปทํำแล้วได้สิ่งตอบแทนมาไม่คุ้มกับค่ารักษาพยาบาลก็มีก็มีเยอะด้วยที่ที่เราเห็นเห็นเนี่ยอันนี้ก็คือ โสตาปัฏิยังคตธรรมซึ่งก็จะเห็นชัดว่าในส่วนนี้เป็นส่วนปรากฏขึ้นเมื่อมักปรากฏมักปรากฏเนี่ยได้คุณสมบัตินี้จับเข้าไปในหัวใจถึงจะไม่มีความรู้สึกนึกคิดอย่างงุ่นอย่างนี้แต่คุณสมบัติเกิดและหลังจากนั้นเมื่อปาลา่าเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องฝีเรื่องความทุศีนแล้วก็ตัวเองก็มีสํานึกอย่างนี้จําไปสอนลูกสอนหลานเลย ว่าให้ความปลอดภัยแก่ตัวเองด้วยการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์นั่นดีแล้วนะเราคุ้มครองตนเองด้วยตัวของเราเองเราไม่โกงไม่ขโมยครันี่คือการให้การคุ้มครองทรัพย์สินของตัวเราเองด้วยตัวเราเองโดยธรรมชาติของกรรมเลยถ้าจะมีกรรมอื่นแทรกก็ปัดเป่าได้อย่างวิธีการเมื่อเจ้านี้อ่า สำหรับภัยห้าประการอะไรนี่เดี๋ยวทามีเวลาเดี๋ยวย้อนกลับมาพูดอันอื่นที่ควรพูดสักก่อนยายะธรรมอันประเสริฐก็ยายะธรรมอันประเสริฐยายะธรรมในตามตาแปลว่าทำที่ควรรู้และคำว่าทำที่ควรรู้ตรงนี้ทั้งในส่วนเบื้องต้นคือรู้ ในขั้นของอาธิปรมาจา ร, รย์การรดับรับฟังในส่วนเบื้องปลายคือรู้ในทางภาวนาอันอาดิยสาวกเห็นดีแล้วแทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญาเป็นไนดูก่อนกระ่องดอดีอาดิยสาวกในธรรมวินัยนี้กระทำไว้ในใจโดยแยกขายถึงปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างดีว่า เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับด้วยประการเช่นนี้อันนี้เป็นส่วนของการความคิดรวบยอดอาทิตยใครหามริการความคิดรวบยอดจับหลักได้หลักเนี่ยรายละเอียดจะมาลงหลักนี้หมดก็คือหลักเหตุหลักผลทั้งในทางเกิดและในทางดับ เนื่องจากว่า อ, อ, อารมณ์คือปฏิจจ์เนี่ยในตัวของมันเองมันเป็นตัวปัญหาถ้าปฏิจจ์เกิดทุกเกิดใช่ไหมถ้าปฏิจจ์ดับทุกดับนามรูปดับอันนี้ฟังไม่ซึ้งก็ฟังเอาหลักไวก่อนนะทีนี้เมื่อปฏิจจดับเนี่ยยานดับหรือยานเกิดเออมันสวนทางกัน ทุกดับยานเกิดทุกตั้งทุกทั้ง ส, สมุทัยนะดับหมายถึงทําให้อํานาจมันหมดลงแม้ว่าเรายัางไม่ตายไป็ทันทีก็ตามไม่เข้านิพพานทันทีก็ตามถ้าทุกเกิดตัณหาให้เกิดทุกปรากฏครอบนําทุกก็ปรากฏยานเกิดหรือยานไม่เกิดยานไม่เกิดยานไม่เกิดไม่ใช่คําว่ายานดับเพราะถ้าดับมันต้องเกิดมาก่อนยานไม่เกิด มนม้ำปกติเราทุกเกิดยานไม่เกิดเมื่อเห็นธรรมในทางวิปัสสนแล้วเห็นทุกดับทุกดับด้วยเราเห็นว่ามันดับด้วยยานเกิดทําให้มันดับด้วยและเห็นว่ามันดับด้วยรู้ว่ามันดับด้วยก็คือตัวปฏิจจาเป็นอารมย์ยานเข้าไปกําหนดเป็นยานเป็นภาวนาและเมื่อกระจายรายละเอียด จากหลักใหญ่อาวิชาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นเป็นปัจจัยกันโดยลําดับอย่างที่รู้ๆอยู่แล้วกองทุกขทั้งมวลก็เกิดขึ้นเพราะวิชาดับสํารองโดยไม่เหลืออย่างอื่นก็ดับหมดตามลําดับนี่คือญายธรรมอันประเสรศิฐธรรมที่ควรรู้แล้วเมื่อพูดถึงญาณธรรมธรรมที่ควรรู้จึงแบ่งออกเป็นสองส่วนปฏิจจานี่ยมันประเสริฐหรือประเสริฐไม่ประเสรศิฐดีแล้วปฏิจจาน คือจริงๆก็มีส่วนพูดตอบว่าดีก็มีส่วนคือดีในแง่ของว่าเป็นความรู้คือเราพูดว่าทุกอาเลียสัตดีหรือทุกดีเนี่ยดีในแง่ทําให้เกิดปัญญา อ, อันนี้จังดีในแง่ทําให้เกิดปัญญาปฏิจจ์ดีขึ้นในแง่ทําให้เรารู้เป็นประโยชน์กับความรู้เราเมื่อปัญญาเข้าไปรู้ สิ่งที่ทําให้ของชั่วกลายเป็นดีผีกลายเป็นพระไปศพกลายเป็นสวยไปก็เพราะว่าญาณเข้าไปรู้ปฏิจายาเข้ารู้ทําให้ปฏิจจานั้นดับนั้นเราไอ้ตัวได้ได้ดีกับสิ่งเหล่านี้ก็คือตัวญาณญยาธรรมจรึงหมายเอาตัวญาณเป็นหลักมีปฏิจจสมุปบาทเป็นผลเป็นอารมณ์ เป็นผลแต่เป็ น, เ ป, นเป็นที่ตั้งที่อันใส่ไม่ใช่เป็นผลไอปฏิจากาก็เป็นเหตุเป็นผลในตัวของเขาอยู่เป็นองค์แล้วนี่คือยายธรรมมันประเสริฐอ่ายายธรรมตรงนี้ต่างกับในสติปัฏฐานสูตรที่ว่ายายะอธิกรมายะยายสาธิกมายะในที่นั้นหมายถึงอาเรียมา คือกล่าวถึงตัวอริยญาณตัวเดียวแต่ยาญธรรมตัวนี้กล่าวถึงวิปัสนาญาณขึ้นไปโดยลำดับด้วยมีอารมณ์คือปฏิจจาเป็นอารมณ์คือพูดให้ชัดเลคือวิปัสนาญาณที่มีปฏิจจาเป็นอารมณ์เรียกว่ายาญธรรมเรากลับมาดูภัยเวรห้าประการ ที่ว่าสงบแล้วคือเป็นผู้ฆ่าสัตย์ลักศัพย์ไม่อะไรเนี่ยนะถ้าถ้าเราโยงเทียบเป็นกระเยนว่าภัยเวรห้าประการเนี่ยก็คืออริยาการตัดสินในเบื้องปลายนั่นเองอริยาการตัีสินเป็นเฉพาะเบื้องปลายแต่ภัยเวรห้าประการเป็นเฉพาะเบื้องต้นเอาเป็นเบื้องต้นโลยเบื้องปลายด้วยก็โทษ ท่านวางไว้ในเบื้องต้นโดยคำว่าภัยเวนห้าประการเป็นสำคัญก่อนแล้วก็ไปอนุโลมรูปไว้กับอริยะกันตสินในเบื้องปลอีกทีหนึง่งทีนี้เราดูถ้ามันลำพังแค่สีห้าอะไรต่อะไรเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องเป็นเรื่องพื้นพื้ น, นธรรมดาแต่ในนี้ได้บอกอะไรบางอย่างไว้ว่าบุคคลผู้ฆ่าสัตว์ย่อมประสบภัยเวรใด อันมีในชาตินี้บ้างอันมีในชาติหน้าบ้างย่อมประย่อมเสวยเจตสิกทุกข์คือโทมนัดบ้างเพราะ ป, ปานาริบาตเป็นเหตุภัยเวรของอริยสาวกผู้พ้นขาดจากปานาริบาตสงบแล้วด้วยอาการอย่างนี้คือถ้าพูดถึงอย่างเราถ้ายังไม่ได้เป็นพระโสดาบันเนี่ยถ้าเรามีศีลเราไม่ล่วงปานนั้นก็คือพ้นในขั้นเหตุนี่ยตัดไปแต่ต้นลง ถ้าเราค้นต่อเนื่องก็ได้ผลประโยชน์ต่อเนื่องถ้าเราค้นโดยเด็ดขาดในบ้านปลายก็เป็นอนุสัสนิษจากสิ่งเหล่านี้อันนี้ที่ว่ามีในประสบเวียนภัยในชาตินี้บ้างในชาตินาบ้างเนี่ยชาตินี้ชาตินาตามภาษาธรรมดานี่แหละครับชาตินี้ก็คืออันนี้เป็นเรื่องที่จะทําอาเวทในการมปรากฏได้ใช่ไหมข้าสารลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรมเนี่ย ผู้โกโหกอะไรต่ออะไรเนี่ยมีในชาตินี้ได้และเราเรียนธรรมะต้องหัดสังเกตหัดดูกรรมเราทั้งฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีแล้วก็พยายามหาตัวโดยเฉพาะเมื่อเรามีปัญหาอะไรขึ้นมาทักเรื่องเป็นเรื่องไรแรงเนี่ยดูกรรมตรงนี้ให้เจอแล้วเราเราจะแก้ไขควบคุมอะไรได้ถ้าเราจะไปช่วยใครก็ดูตรงนี้ให้เจอและถ้าจะดูชะตาชีวิตทั้งชีวิต หลังจากนั้นต่อมาตอนนี้นอาจจะไม่มีอะไรเป็นที่จะเพียให้ดูพื้นฐานทางจตากรรมเราว่าเราเนี่ยเราโน้มเอียงไปทางไหนบางคนเนี่ยอะไรอื่นดีหมดแต่โน้มเอียงไปในทางปิดลูกปิดเมียเขามีอยู่ก่รบางคนเนี่ยอย่างอื่นดีหมดแต่โน้มเอียงไปในทางผู้โกหกในแง่ต่างๆเนื้อไขต่างๆแนะั่นคือจิตากรรมของคนที่ถ้าเราจะทําอะไรจงระวังตรงนั้นไว้ให้มากเกี่ย อย่าได้เผลอไปตังค่ะถึงบอกคนบางคนว่าไอ้ประเภทยืมเงินแล้วไม่คืนเนี่ยพอตัวเังมาโดนยืมบางหายหมดหายหมดหายหมดไม่คืนพอตัวไปทําไปเยอะคุยคุยคุยคุยดูเคยไหมเคยไม่เคยไหมนี่จบอกคุยแล้วไม่เจอจานนี้ไอ้บางคนมันนึกไม่ออกก็มีประเภทหนึ่งนะต้องช่วยนึกนะเพื่อต้องนึกแสนคุยไปคุยมาบางทีสามเดือนให้หลังมาบอกเขาเจอแล้ว เจอแล้วยืมเงินผู้มีบุญคุณไว้แล้วไม่ห้มันก็เลยกลายมาเป็นลักษณะจตากรรมเราก็หัดสังเกตอย่างนี้ให้ผลในชาติหน้าก็ก็หลังจากตายแหละแล้วก็เสวยเจติกทุกนี่ก็หมายถึงความเสียออกเสียใจความเดือดร้อนใจที่เกิดขึ้นจากบาปนั้นแม่ข้ออื่นๆ ก็อย่างนั้นแล้วก็ทางนั้นทีนี้ผมจะยกตัวยอย่างในเทิงที่อธิบายนิดว่าภัยเนี่ยมีภัยนอกกับภัยภายในเออตรงนี้ท่านอย่าเพิ่งเดาตามกติของสูตรบางแง่ภัยอย่างเช่นปานาติบาสอันเป็นเวนและภัยภายในคืออย่างไรสาหรับตามเงื่อนไขของสูตรนี้ภายนอกคืออะไรท่านว่างีงครับใครที่ไปฆ่าผู้อื่นด้วยปลาลบบุคคลอื่น ภัยและเวร น, นั้นเป็นภัยเวรภายนอกคือจากเหตุภายนอกเพราะเหตุภายนอกใครที่ฆ่าสาสตว์รักทรัพย์หรือธุกิจในการเป็นตน้นด้วยปลาลบตนมีตนเป็นเหตุเป็นปัจจัยถือว่าเป็นภัยเวรภายในอ่าท่านก็ยกตัวอย่างนี้ว่าเช่นว่าลูกคนหนึ่งรู้ว่าใครเ็าจะมาฆ่าพอตัวตัวก็ไปฆ่าเาตายก่อนเป็นภัยเวรภายนอก เพราะปลาลบพ่อซึ่งเป็นบุคคลอื่นถ้าบุรุษคนนั้นฆ่าบุคคลอื่นจะเป็นตัดเป็นคนก็ตามโดยปลาลบว่าเอเขากำลังจะฆ่าเราเราต้องฆ่าเขาก่อนเป็นภัยเวรภายในหรือถ้าบางคนก็อาจจะเป็นทั้งข้างนอกข้างในข้อปลาลบสองอย่างร่วมกันอยู่ในคนคนเดียวกันแม้ศีนข้ออื่นๆก็เหมือนกัน แล้วผมก็เลยทิ้งปัญหาเป็นการบ้านไว้ตอนท้ายว่าภัยเวรภายนอกกับภายในนี้อันไหนเป็นบาปมากกว่ากันภายในเองแค่ตัวถ้าภายนอกนี่ยังคล้ายๆมีความประสงค์ดีมีความกรุณาอะไรแต่ลเจอือปนอยู่นะอยู่บ้างเช่นอย่างบางคนที่เล่าเคยเล่าแล้ว บอกกขาถามบอกว่าเนี่ยฉันเนี่ยฉันทำผิดหรือเปล่าเวลายุงกัดฉันเนี่ยฉันไม่ตีได้ไม่เคยตีเลยทั้งกัดฉันแล้วถ้ามันตีหลานแล้วฉันต้องตีมันเพราะมันปังอ่านมากัดหลานที่รักของฉันอยู่ร่วมโลกไกว้ไม่ไดต้ตียุงเนี่ยผิดศีลว่าหลานถ้าใครคนหนึ่งกําลังจะมาฆ่าพระฆ่าบุคคลที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลตรอชาติบ้านเมืองเราก็ฆ่าเขาตาย ก็ได้บุญเนี่มั้งแล้วก็ได้ทั้งบุญทั้งบาปเรียกบุญบาปปนบุ ญ, บญใครจะไปะแสวงหาบุญด้วยวิธีนี้ก็เอาจำก็พวกนี้มันมีจริงๆแล้วมันเป็นชะตาชีวิตคนเห็นเห็นหลายๆคนที่เราลบไปฟังแล้วก็มีวันนี้เออผู้นี้มันมาออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้บางเรื่องก็ไม่มีในสมัยตะการบางเรื่องก็มีในสมัยตะการอ่าอุดหนุนให้เหตุผลแทนกันได้วันนี้ก็จบพระสูตร A เปลี่ยนกนนี